เราผู้ค้องสัตว์มันก็คล้องเหมือนกันเอาค้องสัตว์คล้องมเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสมุทรโยโหติมันก็เหมือนนกขุนทองเราสวดแล้วว่าไปทั้งๆ ท, ที่การปฏิบัติยังไม่มเห็นวิเวยวิวหรือร่รองรอยมันบ้างเลย และไม่รู้ตัวมันแล้วค่าตัวมันได้เลยไม่จะไม่เข้าใจนั่นะมันสุดวิสัยสุดวิสัยอย่างนี้เองภูมิของเรามันปัญญาของเราสติของเราไม่พอกับที่จะรู้อย่างที่ท่านว่านี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเหมือนไม่ขุนทองเป็นนิหมายไปกบหมายไปอย่างนั้นหมายไปไม่ได้เข้าความจริงเลย พอเข้าสู่ความจริงอะไรเพราะธรรมที่ท่านกล่าวที่ ท, ท, ท, ที่ที่ท่านอาจารย์ฤทธิ์พันธ์ี่ยท่านรู้หนิเป็นธรรมที่ท่านรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดจากความรู้ขึ้นมานั้นไอ้เรามีจะไปไปท่องจำออกมาท่องจำออกมามันมันไม่ได้ทรงความจริงเอาไว้มันถึงไม่รู้พอจิตได้เข้าสู่ความจริงของอภิชชาปัญาชั้นาราได้เท่านั้น มันกระจายไปหมดเลยอืเริ่มมาตั้งแต่ตั้งแต่อที่มันชัดกันเริ่มปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาอย่างรู ป, ปรขันของเราเไม่ต้องมารู ป, ปักขันภายนอกรูปภายนอกแล้วดูรูปของเราแลามันพองมันแล้วมันปล่อยมันรูดในตัวมันเอง สัญญาตั้งฐนันยืดยื้ัยี่ยานนียมันเกิดนี่มันก็ยืดยื้อัเ่บกระเพื่มกรเพื่อมกดับไปพร้อะดับไปคล้องในรนั้นมันก็มีฐานอันหนึ่งเป็นที่รองรับของขันอันนี้ของสังขารขันสัญญาขันหรือวิญญาณขันมันมีฐานอันหนึ่งเหมือนกับว่ามัน มันอยู่ปากคอบอวิชามันครอบจิตไว้ด้วยความปองใสของมันความสง่างามของมันอวิชามันจะเล่นหืมไม่สง่างามมากเทยวเออเราคาดเราคาดเป็นเสือโคร่งเสือดาวเราคาดอาวิชาเป็นยักษ์เป็นผีนี่เราเคยเขียนไว้แล้วเหมือนกันแต่เวลามาเจออวิชางจริงเนี้ยเราไม่ทราบนี่สินั่นเพราะอะไรเพราะมันผิดครับ ความคาดความหมายความคาความหมายไม่ใช่ความจริงความเจอต่างหากเป็นความจริงนะแล้วไปเจอแล้วยังไม่รู้วิชาหักเจอน่มีความสวยงามความอัศจรรย์ความสง่างลาดสีความผองใสพูดง่ายว่าสง่างามอย่างนี้แหละนั่นมันมีฐานลับแต่สิ่งอย่างนั้นมัน มันก็แยกออกมามันกระดับกรดับนะพราะมันตัดกันตัดขาดจากกันเนาะอวิชากับสัญญาสังขารเนี่ยมันมันขาดจากกันมันยังเหลืออวิชารวนๆอาการมันขาดไปมันรู้ชัดๆนะครับถึงจะมีฐานของมันเป็นที่รับรองกันอยู่ก็ตามมันแยกออกมาจากนั่นก็ตามนะแต่มันไม่ใช่อันั้เนี่ยมันก็รู้ในชัดๆเนี่ย้นี่พอธรรมชาตินั้นที่ว่าสิ่งที่ ถ้าางามนั่นแหะมันทังไปแล้วอันที่มันครอบไว้นันทีอันที่ถูกครอบไว้อันถูกมันครอบไว้นั่นคืมันเป็นยังไงเหมือนฟ้าดินถล่มหรือว่าไงความมันทากจากกันแล้วมื่ออาจารย์เกิโลคกินสานจะจะเป็นอะไรธรรมชาติอันนี้นี่ที่ท่านพูดถึงเรื่องโอภาาษัยที่หกเนี่ย มันก็อยู่นี่้อยู่ในวงอวิชาานะไปถึงนันผ่าแสงสว่างอาะไรละทันวาไปที่พออันนั้นมันขาดจากการหมดแล้วมันไม่มีอะไรเดี๋ย ว, วเรื่องพบรงชาตินันมันกรลุกหมดเลยเป็นประจากอะไรเป็นต้นเหตุนะเป็นความสืบต่อเป็นความชุดความดึง ให้จินเรืนี้ไปคืออะไรเนี่ยือทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมันจะไปหนีได้ไงมันจะไม่พูดว่าอภิชาปยาจะไปว่าอะไรก็มันเห็นจะชัดหนีเนี่ยก็มีเท่านี้แนะแต่นมันชัดขนาดนั้นนะแต่มีอะไรใช่ไหมใช่อันนี้นี่กิดที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรดูดนี่เรียกว่าอากาศของกิจของธรรมมันไม่มีอะไรดูดมันหมดความนึงดูด แล้วลึกล้ามากนะถ้าทั้งวันลือล้ำไปลึกล้ามากทีเดียวทั้งที่ได้ยินกันอยู่รูกกันอยู่อย่างนี้ว่าอภิชาปยาสั้งกาลาสร้า ง, งาิชาสวดนีน่มันก็นเหมือนจะมาให้ใหเด็กอนุบาลมาท่องหลักวิชาของปัญญาเด็กนั่นนะ มันก็เหมือนกันมาท่องมันก็ท่องอยู่มันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะ ไ, ไเลยอันนี้ก็หลักวิชาแล้วเนี่ยวิชาปยาสัางการานหลักวิชาของวัตจักรวัตถิท่องเฉยมันก็ไม่รู้มันไม่รู้มันท่องเฉยเยองพวกเราท่องท่องเฉยไม่รู้ทุน้าปฏิบัติงัดง้างขึ้นขูดขึ้น ม, มันถึงรู้ที่นี่ไม่ท่องก็รู้ถึงพอรู้ๆๆแล้วออย่างนี้เองนั่น ไม่ยอมพู้เจ้ายอมจะยอมไข่ใครผู้บอกไว้ใคเนี่ยใครผู้ชี้แจงไว้นี่ยนะผู้ทเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สงทราบอย่างละเอียดทั้งทบ่ือกี้อยู่ไหนฮนี่ือจุงดูอะรย่ดดดเกาเงินเกานี้เพิ่นเพิ่นจะดูตีปุ่นหนกันเกาให้ยูดอกเพิ่นมักกันเนี ฝรั่งฉลาดนะเล่นกระหมา้าผมต้องเดี๋ดูฝรั่งเล่นกระหม้าหมาไม่ค่อยจะหนีไปไหนละพันเงินก็ฝรั่งเราภาคไทยเราเล่นสู้สู้ฝรั่งเล่นไม่ได้ฝรั่งฉลาดกว่าเล่นหมาผมยิ่งแล้วเล่นมันไม่ได้คว้าใช่ไหมมันยังวิ่งหนีต่อหน้าเลยวโอ้ขายยีหน้าผมยิ่งแล้วเล่นกระหมาไม่เป็นแต่จะเล่นกับมันนะมันไม่ยอมไ้เล่น หลังไม่ว่าใครองค์ไหนมาผมสังเกต ด, ดูเล่นกับหมาเนี่ยอู้สละมากหมาติดว่ามืงทีเหมือนตายแล้วห่ออย่างนี้เห็นดนิไอปากดำมันติดใครไม่ง่ายมาเมื่อไรนี่นี่มันยังเห็นติดนะเห็นไ ม, ม่ไม่อยากไปเลยมันถูกกล่อมแล้วไออ้วนไปไออ้วนเนี่ย ระยนี้คนก็นมากขึ้นด้วยนะผมก็เหนื่อยตอนเชา้าก็ได้พูดทุกวันทุวันมือชาตก็พูดบ้างเด็กน้อยแต่มันก็เข้มข้นทำให้เหนื่อยได้3วันติดกั น, มนไม้พูดทุกวันแล้วคนยิ่งมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็ไม่ว่าเขาว่าเราแล้วใครก็มีหัวใจมันก็รู้แต่ก่อนก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่เขาลบนับถือที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายมีดีหลายองค์ก็แบ่งมานน้นนี่เป็นน้ำไหลาบาปไป ก, กว้างขวางขนาดนั้นกระสะดวกสบายในการบําเพ็ญอันนี้ก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปอืมเราจะแม้จะตัวเท่าหนูก็ตามมันก็ทนที่เขาจะม า, าหาไม่ได้เพราะต้องมาของเขาอยู่นั่น น, ะนี่แหละเรื่องแล้วก็รู้นี่ทําไงการ นำทำออกแสดงที่จะให้คนเข้าออเข้าใจตามหลักความจริงนี่ส่วนหลักความจริงนั้นผมยอมรับว่าจะมีผู้รู้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันหลักความจริงจากการปฏิบัติในธรรมทั้งหลายนี้ก็คือพระกรรมฐานนั้นแหละแต่การที่จะนำทำออกให้เหมาะสมกับขั้นภูมิสมุดนิยมขั้นท่านวันลนะกาะเทศานั้นมันนำออกอยากเหมือนกันนะยื่นนำมาใชา้ ผูก็มาเกี่ยวข้องในรับประโยชน์ตามความมุ่งหมายของคนนี่ลำบากอันหนกันอาจารย์นได้พูดไว้ในอะไรทมีหล า, ายประเภทสุไข่ปุไข่ปัาตะโกนี่พระอรหันต์มี ส, สะะี่ประเภททั้งนั้นุขไข่ปลตะโกเตวิชโชชนะปินยูปิษัสนาจรตุปิษัสนิทัปปโต มีสี่เคความวายชุดเหมือนกันแต่อาการของคนทำงานมีสีไม่หยังฮ้ยหไปเร่นทำมันน่ะยังอีอีเอ้ยอ้วนหายไปเรียนทำ ม, มึงอ่ะพวกบ้าันเล่นนะย่างเงี้ก็ปากดาน่ะนี่ไม่นี่นปากรำนี่ตัวสัน่นหาต้องสับกันยน่เหมือนกัน จึงมีอยู่สามสี่ประเภทที่ว่าพันธุนที่จะทําประโยชน์ให้โลกได้มากอืมีประเภทไหนบ้างไหนบ้างไหนบ้างมีไงมีเจตูวิสันต์ปาริสัพปเจตุวิสันติธาญาเนี่ยพู้ที่ันรู้ปาริสันิธยาเนี่ยทําประโยชน์ให้โลกได้มากแตกชันอืม ก็เปียกเทียบเหตุผลอะไรในพร้อมหมดยิ่งยั่งวังแตกฉานผ ม, ผม ก, นก็บุดไปแค่ทั้งท่านนะเนี่ยอย่งนี้ก็ควรใชรับประโยชน์มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรยังเป็นอย่างนั้นเรื่องมันในวงกรรมฐานสายของแม่ของวใจารย์นี่ก็ผมนี่แล้วเป็นพวก ขนองปากกว่เพื่อนดูดูดจะขนองปากว่าเพื่อนหนมากเทสนะว่าการก็มากเทือดทุกสังคมนั่นหนังสือก็มากนั่นออกเป็นเทสกมากผูบาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ก็อะไรอเราเนี่ยก็อนองมืงอขนองปากกว่าูบาจารย์ทั้งหลาย ทุกวันนี้มันมันหดเข้ามามากแล้นะไม่หับเป็นยังไงมันนักเป็นทุกวันเองรู้จากของนี่แหละมันหดเข้ามาหดเข้ามาไม่เล่นกับอะไรอะไรแล้วนะมันเบื่อเบื่อไปเท่าจะว่าเบื่อมันก็เบื่อเบื่อไปหมดความสงสารนั้นยับยำรับมาสงสารแต่อันเครื่องมือขงเราที่จะสนองความสงสารนั้นี่มันไม่อํานวยมันอ่อนมันเพีย อยู่ตามลําพังจะของไปอย่างนั้นมันพอเหมาะพอดีนะ ว, วันหนึ่งวันหนึ่งผมอยู่ด้วยลาพังผมฉะนั้นผมเหมาะไม่อยากจะยุ่งกับอะไรไม่อยากใครมายุง่งมันพอเหมาะพอดีความหนักความเบามันก็ได้ดูกันอยู่ด้วยกันอยูตามลําพังไอ้แม่ก็ไม่ค้นที่จะยุ่งจนได้หล่ะเขาก็มาในเจตนาหนึ่งของเขาเนี่ย เขาก็มายุ่งมาเกี่ยวเราแม้แต่อินธรรมะาาเห็นนยังลุ่มมาแต้เราไม่อยากคุยอยากพูดกับใครยุ่ไปตามเรื่องของธรรมะธรรมะที่เขาไปจะว่าเอาพระจองหองไปก็ได้แล้วไม่จองหองมันถ้าเป็นยินดีท่านในขันให้รู้เรื่องของเรานี่ไม่ ย, ยุ่งกับใครไปนี่พอนาของเราไปเลย มันคืนนี่เราก็พักท้องเหล่ามืนคืนพับผิดท้งเราสบายก็มามันคืนเรพักถึงสองหอนนี่นะสองขนมันมากมันก็ไม่ไม่มีอะไรมันจะเป็นสองอนพรนาจะไหมออกกัดขมาแล้วเหยแยดเท้าเหยียดัา นึง่งคือฟังเท้ประฟังกลไม่ทังนีนั่งอย่าแ้างอย่างขาจะมาอารมณ์นันก็เข้าภาวนาอีกสักที่วน่นันะครับอันนัมันพอดีพอดีพอดีแล้อ้วนเดี๋ยวไปละอ้วนเอาไปจ้า